วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้ากันยายนพุทธศักราช2559ห้าสวันนี้คณะครูบาอาจารย์โรงเรียนอุดรพิทยานุ ก, กูลได้มาตักบาตรมีจดหมายล่วงหน้านะมาเรียนหลวงพ่อตั้งแต่วันที่สี่สิงหาวันนี้เป็นวันที่ห้ากันยา ก็เดือนหนึ่งพอดีจดหมายฉบับนี้ที่มาเรียนไว้ก่อนแต่วันนี้ก็เห็นลูกหลานมาทำบุญตักบาตรตามที่ได้กำหนดออกฎเกณฑ์เอาไว้นะด้วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีดำเนินโครงการพุทธศาสตร์สัญจรทำบุญทำดีถวายในหลวงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีมีโอกาสได้ทำบุญตักบาทฟังธรรมเทศนาและฝึกสำรวมจิตเจริญภาวนามีมีกำหนดในวันจันทร์ที่ห้า กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 6.30 ถึง 12.00 นณวัดป่านาคำน้อยโดยมีนักเรียนและ ค, ลคลรูคณะครูโรงเรียนอุดอรพิทยานุ ก, กูลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น45คนอันนี้ก็ได้มาพร้อมกันแต่เมื่อ พวกลูกหลานจบมาแล้วหลวงพ่อจะมีหนังสือแจกคะมีหนังสือดูๆไว้อยูเอ่เรื่องปุจฉาวิสัชนาของหลวงพ่อพุทธานิโยคือคําถามคําตอบพขถามหลวงพ่อพุทธานิโยแล้วก็ถามหลวงปูชาสุพัทโทแล้วก็ถามหลวงตามหาบัวยนจัมปโนมีพระเถระทั้งสาม องวิสัชนาเรื่องคำถามคำตอบเพราะนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับครูบาอาจารย์และเด็กนักเรียนผู้ไฝ่ในการศึกษาเรียนรู้บางทีอยากจะถามยุอยากจะถามครูบาอาจารย์อยากจะถามหลวงปู่หลวงตาแต่ไม่กล้าถามความในใจถ้าอ่านเอาอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะได้อาจจะให้คำตอบอาจจะมีคาตอบ ในจดหมายในหนังสือเล่มนี้เพราะองค์หลวงตาท่านเคยท่านตอบท่านไปที่อังกฤษนะประเทศอังกฤษฝรัง่งชาวอังกฤษเขาถามธรรมะหรือว่าถามความคิดเห็นในใจของเขานะเป็นยังไงเนี่ยแหละลูกหลานทั้งหลายผู้ฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ก็น่าจะอ่านได้จะคงจะเข้าใจนะและก็วันนี้ถือว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลสําหรับลูกหลานที่เข้ามาศึกษากับพร้อมกับคณะครูบาอาจารย์ทำดีถวายในหลวงทำไหวพ่อพ่อใหญ่คือในหลวงของเราเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายสํานึกไว้อยู่เสมอว่าอันนี้คือผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติโครงการพระราชดํารินับไม่ถ้วนทั้งสองพระ อ, องค์ทั้งพระปรรมราชินีทั้ง ในหลวงแลกะกัพระบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกวันทำพวกเราติดตามสื่อผู้สื่อขา่าวในการสื่อต่างๆอันนี้ก็คือท่านใส่ใจดูแลพระศกในก่อผู้ที่อยู่ในูห่างไกลาจากในชนบทเดี๋ยวก็ไปจุดนั้นแล้วก็ลงจุดนี้ มีมากมายโครงการพระราชดําริแต่บัดนี้ทั้งสองพระองค์ก็อายุในหลวงของเราก็แปดสิบเก้าปีพระบรมราชินีก็เจ็ดสิบสองสิบสองแปดสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ถูกลเป่าก็ไม่รอนุกหล้าน สิบสองหกเจ็ดสิบสองกเจ็ดสิบสองน่ะลูกหลานอะไรเอาเองก็แล้วกันนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วคือทั้งสองพระองค์เข้าชูเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่จะให้ข้องค้องแคล่วเหมือ น, นแต่ก่อนก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้อันนี้คื อ, อลูกหลานบางคน การพูดการกล่าวออกไปหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วนะบางคนะบางกลุ่มที่เขามีความคิดเห็นหลวงพ่อว่ า, าไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้พวกเรานึกดูส้สิว่าถ้าเป็นปู่ถ้าเป็นปู่เป็นย่าของเราอายุถึงขนาดนี้แล้ว เราอยากจะให้ท่านมาทำการทำงานอยู่ใช่ไหมถ้าหาว่าพวกลูกหลานคิดได้เพียงแค่นั้นจะแสดงว่าลูกหลานเ่าเนี่นไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลยเป็นคนอกตันยูอย่างสูงสุดอย่างไม่ควรให้อภัยถ้าลูกหลานผู้ใดเป็นลักษณะอย่างนั้นจแสดงว่าไม่มีพ่อแม่ไม่สอนออลูกครูบาอาจานนรย์ในในโรงเรียนไม่สอน หลวงพ่อว่าน่าจะสืบสอบไปในโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนอุดรเพชรของพวกเราเนี่ยนะลูกหลานนะให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันควรจะควรจะสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรวัยวศคววุณวศควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เท่าแก่ชรา ปู่ย่าตายายของเราเท่าแก่ชรลาเป็นผู้มีพระคุณลูกหลานทั้งหลายควรจะแสดงความกตัญญูกตเจวยที่ตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานทั้งหลายและก็ทางหากว่าลูกหลานทั้งหลายเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังยังไม่รู้จกักพระคุณก็เป็นหน้าที่ของครูจริยธรรมอสอนอย่างวันนี้แหละพวกครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าควรจะนาลูกหลานที่เป็นเด็กนักเรียน ควรจะเข้ามาสู่วัดวาศาสนากฎระเบียบเพราะราจะต้องเราจะต้องศึกษาหลายๆอย่างถ้าเราอยู่ในโรงเรียนเราก็อยู่ในโรงเรียนเราก็วัฒนธรรมอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามาอยู่วัดอย่างนี้มาเห็นอย่างเนีล้ลูกหลานนั่งอยู่อย่างเนี้่ก็คือเป็นวัฒนธรรมของพระของวัดวาศาสนาแล้วก็หลวงตาเอง เ, ออเมื่อพวกเรานั่งอยู่ในความเรียบร้อยก่อนที่จะให้พรหลวงพ่อ ก, ก็จะแนะนํา สิ่งที่ลูกหลานควรจะรู้ควรจะเข้าใจในการเป็นอยู่หรือสกนตศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องควรจะไปฏิบัติตนอย่างไรในหลวงตากำลังพูดอยู่ในะนีนเน้เป็นการแนะนำตาลูกหลานไนใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นะ MP 3ของหลวงตาที่อัดไว้แล้วก็แจกจ่ายไป เ, เ, เกือบเป็นร้อยแผ่นแผ่นหนึ่งก็ยี่กว่ากันแต่คิดดูสิ หลวงตาพูดมากแนะนําสั่งสอนแต่หลวงตาก็มั่นใจว่าการบอกกล่าวไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังถ้าผู้ใฝ่ในการศึกษาหลวงพ่อเองก็มั่นใจหลวงตาเองก็มั่นใจว่าการพูดและการแนะนําไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อขนันตถาญาติโยผู้ต้องการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องสมาธิจิตตภาวนาเรื่องการอยู่ด้วยการมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่างไรเมื่อเราเป็นเด็กเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราอยู่กับพ่อกับแม่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อพ่อแม่เมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราปฏิบัติตนอย่างไรกับครูบาอาจารย์ในเมื่อเราอยู่กับเพื่อนฝูงหมู่พวกเพื่อนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรการคบค้าสมาคม กับหมู่เพื่อน เ, ออเราควรจะเลือกคบอย่างไรสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ท่านสอนไปหมดนะลูกหลานนะ อ, อ, อย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเห็นครูบาอาจารย์มาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยตั้งตั้งใจเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพนะอันนี้คือสิทธิ์กับอาจารย์นะ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 พวกลูกหลานทั้งหลายได้เห็นไหมเอ่ที่เด็กเราเกิดมาใหม่ๆเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ถ้าคิดย้อนหลังไปแล้ว เ, เมื่อเด็กแบเบาะทํำยังไงมีต่ร้องให้หิวก็ร้องอไม่สบายก็ร้องอพ่อแม่เป็นยังไงทุกไหมในขณะที่ลูกร้องไห้เนี่ยแหละต้องประครบประงมก่อนก่อนที่เราจะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ เพราะนั้นบุญคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามานั้นน่ะมากมายมหาศาลเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเท่าเก่ชลาเราควรจะเลี้ยงท่านตอบนะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนทั้งลูกหญิงลูกชายแต่ถ้าว่าพระสงฆ์อย่างหลวงตาเนี่ยไม่พูดให้ลูกหลานฟังลูกหลานลูกหลานทั้งหลายก็คงจะซํานึกไม่ได้บางคนนะแต่เอาเถอะนะที่มาวัดของหลวงตาวันนี้ ที่หลวงตาบอกกล่าวให้ลูกหลานฟังอีกสักวันหนึ่งลูกหลานก็คงจะสำนึกได้ว่าหลวงตาอินที่ไปกราบพันธท่านข้านั้นท่านบอกว่าเมื่อพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกคือปร ะ, ปร ะ, ประพฤตตนเป็นคนดีพูดง่ายพ่อแม่ของเรามีมรดก มีไร่มีนามีที่บ้านที่เรือนที่รัวที่สวนเออแต่เราเนี่ยทำตนไม่ดีเลยเกเลไปติดเหล้าเมายาติดยาบ้ายา마่าเนี่ยพ่อแม่จะมอบสมบัติจะมอบสมบัติให้กับเราได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ดีเพราะนั้นถึงว่าประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกคือประพฤตตนเป็นคนดีให้เป็นที่ไว้ใจของพ่อของแม่ให้พ่อแม่เป็นที่ไว้ใจเอเอ เป็นผู้สื่อตรงเป็นผู้สื่อสัตว์ไม่ใช้ชรุยช่ลไล่ไม่ติดการโพนงพนันไม่ติดเพื่อนเกเรไม่ติดยาบ้ายา마ปิดไม่ติดขันชา ย, ยาฟินไม่ติดการพนันไม่คบขนชั่วพ่อแม่เห็นแล้วก็อุ่นใจท่านก็ประพฤติตนดีแล้วท่านจะมอบมรดกให้ท่านกา็รับตาได้เพราอลูกของเราเป็นคนดี เมื่อเอาหมอรดกกองเราที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเขาก็คงจะสืบทอดไปในทางที่ดี อ, อ, อันนี้คื อ, อ, อประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกถ้าว่าโรคทพวกเราประพฤติตนไม่ดีไปคบมูพวกเพื่อนที่เป็นคนไม่ดีพ่อแม่มอบหมอระดกให้ ท่านก็ไม่สบายใจอีกสักวันหนึ่งมันคงจะเอาไปขายคนจะเอาไปจำนองจำนำอาจจะทำความชั่วเสียหายขึ้นมาอาจจะขายมรดกที่มอบพ่อแม่มอกไปทั้งที่พ่อแม่ก็ยังไม่ตายแต่ตัวเองก็นะ่ะมีโทษมีคดีขึ้นมาผลที่สูดก็เลยขายพ่อแม่ก็เล ย, ย, เลยทนทุกทรมานไปด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือลูกหลานทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นะให้เป็นเครื่อง เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของลูกหลานถ้าลูกหลานเป็นคนดีแล้วนะพ่อแม่ก็สบายใจกับพวกเราเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกๆคนนะมาถึงวัยนี้นะ่ะกำไรกำลังวัยคึกขนองหลวงพ่อก็เคยเป็นนะวัยนี้นะวัยลูกหลานเป็นเดียวนี่แนหะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยหลวงตาหลวงตาเนี่ยข่าวนั้นนะเกือบศึกเหมือนกันนะ เป็นสมเด็จเกือบไม่ได้เป็นหลวงปู่กระทั่งเดียวนี้แหละเกือบไปไม่รอดเหมือนกันเป็นวัยที่ว่ามองโลกเป็นทางดีทั้งหมดเป็นวัยติคึกขนองเป็นวัยที่อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะอะไรทุกอย่างเลนะแต่มาทึกนึกย้อนดูมาเดียวนี่นึกย้อนดูเป็นวัยที่เสียงที่สด เพราะนั้นหลวงตาเองจึงบอกลูกหลานเดี๋ยวนี้ที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาเนี่ยให้ลูกหลานทั้งหลายสํานึกไว้นะสิ่งไหนก็ตามให้ฟังผู้ใหญ่ไว้ดีนะให้ฟังผู้ใหญ่ไว้ดีถ้าหลวงตาเนี่ยนะไม่ฟังผู้ใหญ่นะหลวงตาก็คงจะไม่ได้เป็นหลวงตามาอย่างเดี๋ยวนี้แหละอันให้หลวงตาฟังผู้ใหญ่ในคราวนั้นก็เลยกลับใจได้ปวดให้ส์ขนาดั้นตั้งต้นตั้งต้นตั้งลําใหม่ตั้งตัวใหม่ ผลที่สุดก็นี่แหละหลวงพ่อลงตาเองภาคภูมิใจไหมได้มาบวชอย่างนี้หลวงตาภาคภูมิใจอย่างมากลูกหลานเพราะว่าเราเกิดมาทั้งถี่ชีวิตไม่ได้ทำความชั่วชาติเสียหายอะไรเลยมีแต่ทาคุุ่งประการให้กับประเทศชาติให้กับวงการพุทธศาสนาให้กับตนเองให้กับตนเองเป็นอันดับแรกนะ เ, เราไม่ได้ทาความชั่วเสียหายไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อน นี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีของของเรานะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานนะ เ, เดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนะสถานที่ใดประชาคมอาเซียนกําลังจะเข้ามาลูกหลานจะเปชะ ล, ล่าที่จะไปนอนใจไม่ได้นะเป็นเบี้ยล่างของเขานะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราปีนี้หลวงพ่อก็ทราบว่า โรงเรียนอุดอรพิษเป็นฮีโร่ของประเทศเหมือนกันนะสอบแพทย์สอบวิศวะอะไรติดอันดับยกทีมลวงพ่อได้ยินลุงพ่ออยู่ในป่าก็ได้ยินนะลูกหลานนะพออ่พอใหญ่พราะลูกหลานประกอบคุณงามความดีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนดีนักเรียนก็นเป็นผู้ตั้งใจเรียนศึกษาดีเนี่ยนะมันดังกล้องไปทุกหัวและแหงขนาดลุงตาอยู่ในป่าลุงตาอย่าง รับสราบลูกตายอย่างภาพภาคภูมิใจกับลูกหลานโอ้โหลูกหลานอุดอรพิษของเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาวะก่อนที่จะดีได้ก็นหนึ่งนักเรียนก็เป็นผู้ตั้งใจสองครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ใส่ใจในการให้ความรู้ความฉลาดในการสอนลูกสอนหลานนี่แหละหลวงพ่อเห็นในจุดนี้แหละหลวงพ่อจึงพูดกับคุณชัยณศีรวัน ที่ท่านมาลวงที่หลวงพ่อรู้จักกับท่านนู้นแต่สมัยเมื่อคุณชัยเป็นหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มบวชพระจบมหาวิทยาลัยมาบมัตรที่ท่านจบมาจากจุฬาจากนั้นก็มาบวชก่อนที่จะไปเรียนต่างประเทศไปเรียนอเมริกาหลวงตาเป็นพระพี่เลี้ยงให้ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตัด จากนั้นน่ยท่านก็ไปเรียนหนังสือจบมาแล้วก็มาบวชอกีกแต่แต่เขาในีลุงตาอยู่ที่วัดนาคําน้อยแหละลุลงตาไม่ได้ไปจากนั้นก็ได้ลาศิกขาท่านก็ประกอบสัมมาชีพนะจนมีฐานะท่านก็มีฐานะทั้งพ่อทั้งแม่ท่านก็มีฐ า, นะ า, า, นะ า, านะอยู่แล้วนะท่านก็มองมาที่วัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ให้สร้างอาคารเรียนทั้งร้อยหลัลงโรงเรียนยานางงัวก็ชัยสามชั้นน้ำโสมก็สามชั้น แต่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือโรงเรียนออสกลราชพิทยานุกูลอะไรนะสกลราชนะอันนั้นสี่ชั้นนะหมดไปยี่สิบกว่าล้านนะออสมัยนะั้นยี่สิบสี่ล้านกว่าแต่ของลูกหลานเนี่ยนะหลังนี้ก็สี่ชั้นเหมันกันนะใหญ่เหมือนกัน อ, อหลังนี้ฟังๆดูแล้วทิ้งงบไว้ประมาณยีสบเจ็ล้านกว่าทั้งยังไม่รวมเข้าอีนะ่ะลูกหลานนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะยังไม่รวมเขาอีถ้ารวมแล้วก็ประมาณสามสิบกว่าล้านต้นๆนนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลไม่ได้เอาเงินของรัฐบาลนะเอาเงินควักกระเป๋าท่านเองมาช่วยโรงเรียนหลวงพ่อเห็นแล้วก็หน้าภาคภูมิใจกับชาวจังหวัดอุดร ก, กับลูกกับหลานกับครูบาอาจารย์เหมือนกันที่ท่านยังมองเห็น การศึกษาของลูกของหลานอยู่เพราะนั้นในลูกหลานทั้งหลายนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อว่าปีหกยเ่เท อ, อ, อมปี 60' ศูนย์เขาว่าจะได้จะได้ใช้นะอาคารเรียนหลังนี้นะที่ว่าท่านเขาก็จะเร่งเขาจะทำให้เร็วที่สุดนะให้ลูกหลานได้เข้าเรียนได้กันได้เข้าไปศึกษานะเนี่ยถ้าว่าอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นมาก็คงจะแบ่งเบาแอร์อัด ในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นพอให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนลูกหลานของเราให้เป็นผู้นําจังหวัดอุดรของเราคนนี้นะมีราชินุทิตกับอุดรพิทยานุกูลเนี่ยนะเป็นโรงเรียนใหญ่ที่เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายใส่ใจ แต่ทึงยังไงก็ตามนะถึงหลวงพ่อจะอยู่ในหลวงตาอยู่ในป่าในดงขนาดนี้ก็เถอะนะหลวงตาเนะี่ยอยากจะให้ครูบาอาจารย์เน้นเรื่องภาษาอังกฤษนะภาษาต่างประเทศหรือภาษาจีนภาษาอังกฤษนะพอเหตุหลายเพราะเราจะเข้าประชาคมอาเซียนถึงจะมีเราจะมีหลักวิชาดีขนาดไหนแต่ภาษาของเราอ่อนเราก็เป็นไปเป็นลูกน้องของเขมรลาวเหมือนกันนะ เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเหมืองขึ้นของฝรั่งเศสอย่างเวียดนามกัมพูลาวรึอย่างไงเขาภาษาของเขาก็ต้องเก่งกว่าเราถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช่ใจนะทางตะวันตกนี่กัทางพมา่ามาเลอินโดสิงคโปร์ เ, เขาก็เเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วภาษาของเขาต้องเก่งกว่าเรา เพราะนั้นเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นกับใครเนี่ยภาษาของเราก็อ่อนแต่ถึงอย่างไงถ้าว่าครูบาอาจารย์เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเข้าไปอีกหลวงพ่อว่าคงจะเป็นเสริมเกี่ยวเสริมเล็บให้กับลูกล ก, กับหลานให้เป็นคนมีให้ลูกหลานมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพราะภาษาเราเก่งหลวงพ่อเองเถึงจะอยู่ในป่าหลงพงไพ่ก็เถอดนะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หลวงตาเองก็ยังเป็นห่วงด้วยว่าอยากจะช่วยเหลือลูกหลานให้ลูกหลานทั้งหลายมีความรู้ความสามารถ น, ะนี่แหละหลวงตาของพวกเราที่กําลังพูดอยู่เนี่ย น, นะหลวงตาเน้นเรื่องการศึกษาหรือการพยาบาลโรงพยาบาลหลวงตาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาลทั้งวัดวาศาสนาก็เหมือนกันกุฏิศาลาของพระสงฆ์ หลวงตาเขาไม่ได้ทอดทิ้งพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงตาเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิทั้งอุดรด้วยทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเพื่อจะให้ดูแลพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหลนะชั้นลูกแล้วก็คือหลวงตาของลูกหลานประโยชน์ตนหลวงตาก็ไมา่ให้ขาดตุกปุกค้องประโยชน์ตนก็คืออะไรรักษาศีลหลวงตารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็นั่งภาวนา สำลักกายวาจาใจของตนเองให้เป็นพระที่ดีให้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีหลวงตาก็ไม่เคยลดละมองดูตนมองดูตนเองนะปรับปรุงแก้สายดูสิ่งไหนที่มันถูกต้องเป็นธรรมส่วนประโยชน์ท่านต็อย่างที่หลวงตาได้พูดให้ฟังช่วยโรงเรียนยังไงช่วยโรงพยาบาลยังไงช่วยคณะสง เจ็บใข้ได้ป่วยอย่างไรนี่แหละลงตาเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสวันที่พระองค์จะปรินิพพานวัคยะวยะธรรมมาสร้างข้าราอัปปมาเดนะัมปาเดท่าติขอให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาสสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่และกเจ็บตายในที่สุด ไม่มีใครจะอยู่โช่ฟ้าดิ่งสลายตายไม่เป็นไม่ใช่พวกเราจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งแต่ก่อนจะถึงก่อนที่จะถึงจุดจบนั้นให้พวกท่านทั้งหลายตรงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนกันนะอย่างที่ลงตาได้พูดว่าเรามองตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมการพูดจาพาทีแนะนำสั่งสอนลูกหลานตลอดถึงสัมูรวมกายวายจาของตนเอง ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอันนี้คือประโยชน์ตนทวนประโยชน์ท่านกันเนี่ยนะพอจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอันไหนได้บ้างก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่หลวงตาได้ทำอันนี้คือหลวงตาปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวท่านสัน่นสั่งสอนเอาไว้ว่าขยะวยธรรมมาสร้างคาราอัปปามาเดนะซัมปาเดทาติ นี่แหละขอให้ลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้ว เ, เรื่องเมื่อมาฟังทำคำสอนจากหลวงพ่อไปจากหลวงตาไปให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีถวายพ่อคือถวายในหลวงพ ร, ระบรมราชินีอันให้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าท่านมีคุณูปการให้กับประเทศชาติมาเท่าไหร่โครงการพระราชดำริเท่าไหร่ มากมายมหาศาลพระบรมวงศานุวงศ์ช่วยพชกนิกรเท่าไหรสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานทั้งหลายเอี่ยสำนึกไว้ถ้าว่าผู้ใดรู้จักผู้ใดก็าตามเป็นคนรู้จักเป็นพูดจักมองบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกระก่อนเราแสดงความกตัญญูกตเวทิตาความแสดงความกตัญญูกตเวทิตานั่นแหละเป็นคนดี เป็นคนดีในชุมชนเป็นคนดีในสังคมโลกถ้าผู้ใดรู้จักความรู้จักกตัญญูกต ว, วทีทิตาถ้าผู้ใดเนรละคุณไม่รู้ไม่รู้จักบุญคุณผู้ที่ให้กับเราอันนั้นแปลว่าเป็นภาละชนเป็นคนที่ไม่ดีในะลูกหลานนะเพราะนั้นพวกเราให้เป็นคนมีความกตัญญูกต ว, วทีทิตาบูชาพระคุณผู้มีอุปก ร, ะระคุณ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงท่านตอบอย่างที่ว่านะแล้วก็รู้จักพระคุณต่อผู้มีอุปกรารคุณอย่างในหลวงพระบรมราชินีทาบุญทำความดีถวายท่านเราอยู่ในชนนบดไม่มีอะไรที่จะตวายท่านเงินคำทรัพย์สมบัติของท่านเราก็สู้ท่านไปได้ท่านมีอยู่แล้วท่านไม่ลาบาก เราเป็นพระศุกรในก่อนเราควรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่แหละการเป็นคนดีของเรานี่แหละเรียนดีศึกษาดีมีกิริยามารยาทดีเเป็นสมบัติของประเทศชาตินั่นแหละอันนี้แหละคือเป็นการบูชาในหลวงอย่างสุดซึ้งนะอในหลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าอามิทจูบูชาเ อ, อใครเข้าว่าให้อามิตทปฏบิบัติบูชาเนี่ยเลิศกว่า พะทธเจาจังหวการปฏิบัติบูชาเราตถาคตเลิศกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราจะเอาเงินไปถาไวายในหลวงก็ใช่ก็เป็นอามิตรบูชาแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติเราเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็ดีนักเรียนก็เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทำอย่ามีนอกอย่ามีในอย่ามีที่ลับที่แจง้งถ้าว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วอย่าทอใหเคารพให้ซื่อสัตย์ เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติต่อในหลวงนั่นแหละปฏิบัติตนเป็นคนดีนะว่าปฏิบัติบูบชามีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกน้าลูกหลานนะการกล่าวปารถที่ลูกหลานมาเยี่ยมวัดหลวงพ่อมาวัดหลวงพ่อเขาเห็นว่าสมควรกับการเวลาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนะนื้ทีนื้อลูกหลานนะ